เรื่องยถาอุตริสัพีอุตรลอยครั้งหนึ่งเมื่อยังเป็นพระเทพกวีได้เข้าไปชันบนพระที่นั่งและยะถาจบสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่ทรงศัพพายกว่าทำไมจึงไปให้เสเลสิหมดคนผู้ที่ทำจะไม่ให้บ้างหรือสมเด็จพระพุทธาจารยยถาใหม่ว่า ยถาวริวหาปูราปริปุเรียนติสาครังเอวะเมวะอิโตชินังทายกานังทายิกานังสัพเพสังอุปการปติหมายเหตุตามปกตินั้นการสวดยถาของพระหลังการทําบุญของญาติโยมนั้นจะเป็นการสวดให้เปรตในที่นี้ท่านเปลี่ยนจากคาว่าเปตานังเป็นทายกานังทายิกานังก็คือทายกและทายิกา ผู้ทำบุญฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรับสั่งว่ายะตาอุตริสัพีอุตรอยและทรงรางวัลหกบาทสมเด็จเข้าวังที่ใดอะไรมีอะไรก็ขยายให้เป็นที่พอพระราชาหฤทัยได้รางวัลทุกคราว